บัดนี้ก็ถึงเวลาของการเจริญพระกรรมฐานฐานพิธีตั้งของการงานทางใจงการงานทางกายโลบริยานกายเกี่ยวด้วย ปัจจัยที่ร่างกายต้องอาศัยที่พระที่พุทเจ้าทรงอนุญาตให้วิสเวุเสวยหาปัจจัยด้วยการบินฑบาตซึ่งเป็นการณากิดป็นกิจสําำกัน ของบรรดชิตปูดสระภาระทุกชนิดเขาาศักุทธบริษัทธไฝ่กระหัดถวายพิธบาทเพื่อยังอันอภาพวยเป็นไป ครูบาอาจารย์บางท่านอธิบายามัดมัณฑยูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนาธรรมไม่สังขารที่เบาเขาเรียกกายอุตาเบาสวยควรเก่การเจริญภาวนา ว, วิธีการเจริญภาวนานมีหลายอย่างด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถการเดินบ้างการ น, นั่งบ้างนั่งแบบสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรง ดำรงกิจของเราด้วยสติธรรมาชาติของร่างกายมันก็เป็นไปตามกา ร, รเรื่องของของร่างกายที่ต้องหายใจครับครูบาอาจารย์บางท่านอาทิอุคขันตังครับลมเข้าแนลวลมออก ลมออกก็ดึงลมเข้าไปอีกให้ร่างกายนี้สะอ่อนสรวยช่วยขับถ่ายสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นของปฏิกูลหลังไหลออกทั่วรพางกายเรานั่งสมาธิเหื่อมันไหลออกเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสิ่งโสกปลกนั้นมัน รวมดูด้วยถึงเป็นของปฏิกูณเป็นสัจธรรมคำว่าสัจธรรมเป็นความเป็นจริงของรูปกปายอยันนี้คือมันทุกข์ที่มันไหลออกคือทุกข์ไหลเข้า ก, ก็เป็นธรรมดาต้องให้ใจเข้าเพื่อระบายความทุกข์ภายในออกภายนอก ตรงความทุกข์ต่ห่าทนไม่ได้จะมีความทุกข์เกิดขึ้นไหวกายไหวใจก็ไหวไปด้วยดี่เป็นสัจธรรมเป็นทุกข์สัจสัจจาคือความจริงคือความทุกข์ทนไม่ได้ แล้วส่วนดืนๆตามมาด้วยชรามันเปลี่ยนไปแต่ยังไข่ความ่าชราชราที่ทุกทุกทีตนไม่ได้เพราะชรามารณาทุกข มันตายไปตอนอุปมาเหมืนอนหูหลอกคราบหูปยูงเพคราบแก่ไปตอนที่ทุกข์กว่าคราบมันจะออกมาอยู่กับที่คือทุกข์เดี๋ยวมาระนาทุกข์โซกา เราไม่เข้าใจความแห้งใจสูงกาแต่เราเข้าใจแล้วเป็นสัจธรรมเป็นของจริงมันจริงอยู่ได้ร่างกายนี้จึงอยู่ได้อริจจานาทุกทุกที่ไม่ปกปิด ธาตุทั้งหลายทำงานไม่ได้เลยถ้านดินมันแข็งน้ำซึมไม่ได้ธาตุลมก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไหวได้ธาตุไฟก็ไม่สามารถที่จะทำให้อ บ, บุนมีแต่จะเอาไปเผาให้มันสลายไป เพราะมันกองปฏิคูณมันอยู่ไม่ได้เยปฏิคูณมันเหม็นทั้งว่าปฏิคูณเบื่อหน่ายหมดเล้วเพิกสังขารด้วยตั้งสติยานสตินี่ถ้าเราบำเพ็ญภาวนาสติยานขึ้นมายานอยู่อย่างลึกลงไปรู้ขึ้นมา วิชานะที่เรามาอยู่กับที่มันรู้ดิ่งแน่วจิตที่แนบสนิทกับลมหายใจยานังอุปานิยานยานังอุธตป า, า น, านาิจากกุ้งอุธตปานิตา เห็นภ ah ู pei ในวาสานุสยานภาพหรือบางทีภาพอดีตภาพในการโกนมาปรากฏประบรมสุคต์รรู้เป็นญาณอย่างลึกลงไป หลายภพหลายชาติจึงเกิดนิพิทาหนึ่งชาติสองชาติคือความเป็นอยู่กับบริหารอยู่อย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องสงสัยเป็นภาร ะ, ระที่เราต้องปฏิบัติไปตามจัตใจตธรรม ผู้มีสติปัญญาโปร่งขึ้นใน ห, หัวใจเนะ่มันกับถ่ายตัวตัวกิเลสคือความสมองใจจงยุคแย่ยุคเย่ไงเห็นผิษนะ่ตัวกิเลสตัวนี้ตัวสัญญานนำมันมีในดวงใจ คีเดตเป็นอนุสัยนอนอยู่ในดวงใจครับท่านว่าอนุใสนอนอยู่ในดวงใจของเราท่านอุบะมาเหมือนแมลงมุมนะมันอยู่พอพออะไรก็มาเห็นเหยื่อมาก็ออกไปหาเหยื่อคีเดี่นอนในดวงใจของเราพออะไรมันผ่านทางตา ตัวกเรตตัวตัวตัวภายนอกดึงดึงอนุใสนะครับให้เพื่อเพิมไม่ตามอารมณ์ของภายนอกเพราะมีเชื่ออยู่อาตมาเออเอาประมาเห ม, ม, มือนกับไฟมันมีเชื่อพอเชื่อใจมันมันมีตัวตัวไฟภายในใจนะ แลาคักขี้ไฟพอพอเชื่อไฟปราสานก็เป็นมันเกิดขึ้นมันเผาเลยครับเชื่อไปนอกกับมก็เผาเหมือนกองเพลิงที่ยังไม่ ยังไม่หมดเชื่อมากระทบกับโพรงขึ้นมาการบาเพ็ญสมาธิก็เพื่อจะดับเชื่อเพลิงที่อยู่ในใจที่เรียกว่าอนุใสท่านก็ให้อุบายวิธีหลายๆอย่างเห็นใจว่าท่านกล่าวว่าสังวรธรรม ทำไปป้องกันไม่อารมณ์เข้าสู่ใจสมถธท ร, รมมีวิอุบายที่เผาเชื่อไปในให้มันไหม้ไปไหม้ไปหมดปการสํารวมคือมันตัดกินกั้นของคีเรศ ของต้นเม้นก็าตัดกิ่งไม้ตัดไปตัดไปถึงขุดรากขุดรากต้นไม้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วการบำเป็นภาวานาเพื่อจะขุดรากของคีรตที่อนุสัยนอนเรื่องอยู่ในทำลายอนุสัย ทีด่ดังกุรากคือราคาตัวรากแก้วของกิเรตคือราคาเหมือนรากแก้วของต้นไม้ต้นไม้ก็ยังมีรากแก้วเหมืนอนรากฝอยมันมีกิ่งกา้านแตกกิ่งกา้านใหญ่โตขึ้นสามารถปกกลุ่มกิ่งสามารถจะถูกลมพัดมาฟาด ร, รังคาบ เรื่องพังลงมาทลายทำให้บ้านเรือนพังทลายไปก็ได้กิเลสที่มันมากเก้ามากเก้ามันทำลายมันเผาเงินเก่เาก็เผาเผาตัวเองก่อนแต่คนยังไม่เห็น ว, ว่าเผาตัวเอง เราจงอาศัยการบำเพ็ญภาวานาคือดับอนุยัยที่เป็นลูกน้องของราคาถึงเป็นไฟเชื่อเดิมเชื่อเดิมที่ให้เราเกิดมาในวัฏตักเมื่อมีวิทามี มี ส, สติสติธรรมธคือมีสติไม่อารมณ์เข้ามาสู่ภายในอารมณ์ ม, มันมาดึงเพามันนั่งคอยหมดไปหมดไปมันน้่ในหวัว น, น้องของบึงมันเผาเหือดแอ้งไปหมดไปขึ้นไป ไฟคืออารมณ์ภายในใจเมื่ออารมณ์ภายนอกกำไม่เข้าสู่ใจก็เผาตัวตาปีคือความเพียรดังจัดว่าสังว่สัวาประทานเพียรคือระวังระวังทุกกระเบียดนิ้วทุกอิริยาบถกีดไม่สามารถจะออกไปดัก สัญญาอารมณ์ภายนอกได้ปหานาปรธานคือรพระภาวนาบำเพ็ญความดีครับในใจของเราเหมือนกันพยายามไม่ติดนี้ออกภายนอกไปรับสัญญาอารมณ์ลองพิจารณาดูดิ เรื่องราวต่างๆแต่ตั้งแด่เราเกิดมาถ้าเราาดธรรมะสติมันไปครับตัวจิตเนี่ยมันไปในเรื่องราวต่าง ๆ, ๆที่กว่ากิเลสตอนนุนมอายุใหญ่มาชักชวนไปอารมณ์ภายนอกอยังโลกปิดภายนอกก็เปิด ไม่ได้กั้นไว้ภายในตัวภาวนาประทานคือเพียร ไ, ไม่เพียนบำบัำำำดความดีที่เรามีสติเระลึกถึงความดีที่เป็นอารมณ์ในใจให้เป็นที่พึ่งของใจอารมณ์ภายนอกไม่เข้ามาอารมณ์ภายในก็หมดไปสิ้นไปขยะยวายะครับอารมณ์นั้นก็ดับไปดับไป เหมือนเราไม่ในนึกมันก็หายไปเหมือนคนเราไม่คบไม่ไ ม, ไม่ไม่เจอกันหลายลปีนึกไม่ได้เอาเรื่องราวของผู้นั้นมากล่าวมาพูดมาจนไม่ได้หมดหภาวนาประทานเพียนเพี้ยนเจริญคือตันจิตของเรามีธรรมะ ค, คือสติ จิติกันพิจารณากายพิจารณาไปตรวจตาไปใดไปในกายของเราเป็นของปฏิคูณมันอยู่กับของปฏิคูณชุ่มเฉะด้วยสิ่งของปฏิคูณตอนาสิ่งที่มันเกิดขึ้นทังตัวทั้งใจดะจ๊ะ สัตี่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่จกกับจกิลเลสนี้ก็เหมือนกันมากก็มันเกิดเป็นตัวขึ้นมาจกกับจกคือเป็นตัวท่านจึงว่าภาวนาประธานอานุรักษณาประธานเพียรรักษาเจริญ จะเริยนสมถธรรมวิปัฒนาก็เกิดขึ้นจิตที่มันยอมรับไม่มีเชื่อภายในก็มีความดีเห็นความดีในดวงใจของเราใจก็เ อ, อิบอิม่มความโบกายความโบจิตมันเกี่ยวเนื่องกับเพราะ เพระจิตของเราดีแล้วรักษากายเหมือนบ้านเรือนคนอาศัยเรือนรู้จักความสะอาดสถานที่น่าอยู่ควรเก่การนั่งควรเก่การเดินควรแก่การเหยียดคว ร, กกรเวรก่การคู่ควรเก่ทำกิจทุกติอย่างที่เป็นประโยชน์กับที่เราต้องการทำ เป็นพิจารณากายธรรมะคือสติเป็นกระจกมองเห็นกายกระจกสองมองเห็นกายเบทนานุปัตติเวียติอาตาปีคือความเปลี่ยนเผาเผาเชื่อ เชียเรเพลิงเผาเราไม่ใส่ฝอยเข้ามามันก็หมดมอดไปเองถ้าเราไม่ระวังเราไปรับฝอยเข้ามาเราเชียเอเพลิงมาก็เผากลุนอยู่ในใจของเราเนะมืม่อระวังอยู่มีสติพิจารณากาย เวนชัดขนของปฏิคูณที่มันหลังไหลออกตัวเสพ่างกายเดี๋ยวกายนี้ก็เกิดดับเกิดดับปเป็นธรรมดาของขันติ้งใจ ส, สมุทรายะเกิดวัยะดับ มันเฉือยไปแต่ไขความต้องดับมันไม่ดับสนิททีเดียวมันเดินก้ามไปใกล้ความดับสนิทในเมื่อสันตติไม่สามารถจะทําสันตติได้กายจึงดับเมื่อสติไปบูนขึ้นมาสติวิปูระไปบูลเห็นชัด ในกายนี้สัจตธรรมจึง เ, เกิดนิพิทาคือเบือ่อเบื่อต่อภาระราเดี๋ยวเราต้องนำภาระราไปภาระราคือความเป็นของหนักหนักของขันเวทนาขันอีกทุก ตัวทุกข์คือมันทนไม่ได้เวทนาบางทีมันเข็ดเมื่อยเหน็บชากินหนักเท่าคนเป็นอมาพรพฤกนมาพาดนี่ขอแทจ่จริงเห็นในปัจจุบันเลยแหละรูปอาคัน มันเวทนาแต่มันยังทนอยู่ได้เวทนามันดับอีกถ้ามันไม่ดับแข็งทื่อไปทั้งหมดทำอะไรไม่ได้ในที่สุดใกล้ๆว่ามันใช้อะไรไม่ได้เมื่อเรามองเห็นสภาพสิ่งวัตถุภายนอกที่ทาให้ประโยชน์ไม่ได้แล้วต้องทิ้งไป ร่างกายของเราเนี่วิญญาณก็ออกออกจากร่างอันนี้ไปสู่ที่อยู่ใหม่แต่วิชาปรากฏขึ้นในใจของเมื่อไรก็เห็นตามความเป็นจริงก็รู้อันนั้นก็ดับไปดูปริยายรู้แจ้งเห็นจริง ในรูปอาการอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้จึงรู้เป็นอาเพรียร์รู้แจ้งแต่จิตตามไม่คิเด็ดไปก็ได้อย่างเป็นทุกอย่างนี้จึงโทนะทําลายพวกคีรุรู้รู้ต่อนิดหน้าตาของโจรมันเป็นอย่างนี้ เหนท่ได้ว่าราสงดันค่าข่าคีเรตตั้งโคโดุขัดสคาตาจะนิธาตาจะหิาตตัเมจึงฆ่าเลยคีเรตมันต า, ตายตายจากกิจไปมไปสู่พ่อใหม่ไม่ได้ใกล้ๆว่าตัวปัญญาเห็นเห็นชัดว่านี้ตัวตัวปัญหา จึงทำไายปัญหานี่เป็นตัวสมุทยัยเดี๋ยวเราเดินเข้าสู่มรรคมรรคศาสตร์มรรคศาสตร์คือสัมมาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงอันนี้เห็นจริงเลยมันตามเข้าใจตามความเป็นจริงจริงของร่างกายสัมมาทิฏฐิ เป็นชอบพ้นก็ดับอนิโรธดับเป็นพ้นคือความดับดับไม่ก่อเกี่ยวในในเรื่องของขันรู้ตามความจริงจริงไม่พืชทำลายพืช ตัวพืชคืออวิชาาเหมือนกับพืชของวัตถุภายนอกสมาธิิคือเห็นว่าทุกข์คัขัข น, นตัวทุกข์มาเกิดมาจาก ต, ตัวเหตุจึงมักเนี่ยไปฆ่าตัวเหตุฆ่าฆ่าสมุทยัย แต่อาศัยธรรมะเป็นรูปโซ่สืบต่อเป็นรูปโซ่ครับจึงกำจัดมัดคิเรตอยู่ในอำนาจของของปัญญาตัวปัญญาแสงสว่างมองเห็นคุยกว่าตัวเองที่แเกิดทุกข์ขึ้นมา ยิงเข้าใจรู้ในปริวัติสี่ยานเป็นไปในวันโอ้นี้ทุกนี้สมุทยัยสมุทยัยก็ดบด้วยวิธีการปฏิบัติไม่ก่อเชื่อ ตัดเชยบเริงตัดไม่อย่าลมเข้าทางตาบางังไม่อย่าลมเข้าทางหูบงังตัดแม่ลมเข้าทางจมูกบงังตัดอารมณ์แม่เข้าทางกายบ้างทางลิ้นบงังการีจิตมันอยู่ที่สมาธิจิต ตรึกอยู่กับดวงมใจมีพุทธคือโรบริกรรมคือตัวพุทธะรู้แจ้งเห็นชัดในสัจธรรมตื่นคลายตัวปัญญาพิจารณาใครเลียสักการชิดทิฏฐิ เหมือนกองนี้มันเป็นไฟใจเย็นเป็นไฟครับฉลังอุเบกขาทิ้งไปเลยไ ม, ม่มามามาเผาดวงใจแต่ามาเผาลงไปไปเกิดใหม่ก็ทุกใหม่เห็นชาติทุกผลที่ปรากฏเป็นลำดับชาติจิตเงาฉลาด ออกแกอุบายันนั้นวิจิกิจาไม่สงสัยในธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสแล้วท่านปฏิบัติท่านจิใตใจของท่านใน ห, หุดพ้นจากเพราะว่าความเกิดมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นเป็นลำดับชัตแตเราร้างบา ร, รมีให้อินทร์แก่ก้า ชาดก็สั้นเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปอาการเนื่องนี้รูปปัจฉมิ่งเป็นเบื่อในรูปที่ต้องปฏิบัติเอาใจรักษาสาริยานยนันนี้อยู่รูปปัจฉมิ่งเป็ น, นเบื่อในรูป เฉดเดยสุเปน็นมีปนมาเบื่อห น, น่ายในเสียงเสียงเป็นโลกกาธรรมอันหนึ่งเป็นทรใม้เราตาตาบอดนูนหักฉันเซินนินท า, าเป็นธรรมดาของของโลกเป็นอย่างนั้นเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงเบื่อหน่ายคลายความยินดี มีหมุดก่อหลุดพ้นประเวนณฑูปอ่ะหนาวเส้ปืนนิปินันติเบื่อหน่าในรถคันเทสุนเบื่อในในกลิ่นในรสในผัวทพักจริงที่มากระทบกายเบื่อหน่ายคือในการปฏิบัติธรรมใจให้เบา ใจหมดความสงสัยไม่สงสัยในเรื่องของศีลศีล เ, เป็นเครื่องดำเนินหายใจเราเดินในพ้นจากทุกข์ไม่ไปทุกข์กติไม่ไปสู่นรกนรกเก่งสัตวริชาน เปรตทุกขกายสัตว์ทุกแคนิดเรยกว่านรกถนขุมใจตกลึกลงไปเมื่อเมื่อมาเราก็ตกหมาซะหมดยากที่จะปูดขึ้นมาอีกถ่กลับไปกันนอกจากพระพุทธเจ้าปรัสรู้กันแล้วว่าสองโลกมองเห็นโลก สัตน์นนหมดกรรมเพีงได้รับรัศมีความดีจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตาัสนาเพื่อลู้สัตว์ขนสัตวให้พ้นจากทุกข์พุทธะจึงเกิดขึ้นด้วยอาศัยทรงสร้างบารมีจิ่นทรงสร้างทานบารมี ทำไมสัตว์ี่เกิดมาไหน <c oughs> ทำไมที่คำสอนของพระสัมมายังทรงชนอยู่ก็เดมีบารมีกุอุดมสมบูรณ์ครับพอจะเลือกเอาได้ฉันเลือกครบคนก็ได้เลือกสถานที่อยู่เอาก็ได้นี่เพราะยังมีคนดีคนชั่ว เมื่อสัตว์ไปนอนราหมดไม่มีทมไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาชี้นำให้เราเดินไปทางที่ถูกต้องเขาเดินอยู่หลงนะครับความมืดมันเดินช้าอีกมืดอย่างนั้นพุทธะเกิดขึ้นแต่เราองค์ต้องบำเป็นบารมี มันเป็นทานมันเป็นศีลมันเป็นเนกธรรมบารมีบารมีมันเป็นปัญญาบารมีขันติบารมีบุญยศรัจจาอธิฐานเมตตาอุเบกขา บารมีสิบทัศสามสิบทัศเป็นลำดับขั้นแนวบำเป็นโพธิปักขิียธรรมพุทธะถึงเกิดขึ้นถึงท่านโปรดจัดทรงมันผุดขึ้นมามันเกิดมาทีเห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงขายะยานเห็นกน แสงระหว่างสองเพราะท่านรู้ว่าสัตว์นรกไม่มีรู้ท่านกบโรธไม่ได้ต้องรู้เหมือนเราข อ, อนิมบนไปที่เขากรกขังคุนชั่วนี่คือไปที่จิตนีคุนไทยมันเขาไปขังไว้เพราะข้า มนุษย์บอกอยากจะได้เห็นพระใกล้ๆว่าได้เห็นธรรมะมันพ้นจากทุกมาจึงทำจิตในเลื่อมใสในพระศาสนาแผ่เมตตาในองค์ของแผ่เมตตา ความศรัทธาคือความเชื่อมั่นในความดีบกตัวพลังคือศรัทธาพลังคือจัตตินทรีคือความเป็นใหญ่คือศรัทธาปรากฏในจิตของผู้นั้นแล้วจิตนั้นมีอํานาจมีอํานาจในการทําความดีละทั่วประพฤติความดี เราโทษจึงพ้นจากทุกข์จากขุมนรกแต่มันก็ต้องนานอ่ะเป็นเพราะจันวันหนึ่งคืนหนึ่งของเจ้าวัก็เท่าร้อยปีในมนุษย์คิดดูแล้วพวกจี่ตก น, นรกอยู่ หลายพันปีไม่จะเล่นเทียบทนทุกข์ทรมานอยู่แต่จะเวย้ยของกรรมนะครับแต่พระพุทธเจ้าบัดบางเกิดชี้โทษเห็นโทษเหมือนมภาพที่ตนกระทำไว้อดีตชาติจึงกลับจิตเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบทำความเป็นจริง นี่พระพุติเจ้าจึงทรงโปรดเหมือนเราเราท่านท่านเราไปกบก้าสมาคมกับบัณฑิตท่านก็ชี้แนวทางแห่งความดีบายเราบำเพ็ญความดีความดีนี่เป็นวิธีนำชีวิตของตนในพ้นจากทุกข์ในพบน้อยพอบใหญ่จึงมีกำลังใจ เมือนเรามีกำลังกายทึงว่าจะทาพลังจะจินตรีอย่างความเป็นใหญ่ของดวงจิตมีอำนาจเหนือบาปทั้งหมดเห็นผลของฟัม่มแห่งกรรมคือการทำความดีเป็นผลบุญที่เร่อ้อมดวงใจให้เรามาเป็นมนุษย์ พบบรบพุทธศาสนายกภูมิจิตขึ้นสูงอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นอยู่ไกลไม่เอาเห็นแล้วเอาดังนั้นเมืองสมัยนีย้ประเทศบางประเทศอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนก่อนเขาร่าวยฟังคนเมืองจีนอยากจะมาเมืองไทยจ้างให้เขานํามานี่คุยกับชาวตัวเขาเองภูมิที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ คนเราสัต์ดิเนมันเห็นมันก็เข้าใจมันพูดไม่ได้โดยตำโดยตำจิตของของมันให้เข้าใจสิ่ง น, นั้นได้สัมผัสทางโสตประสาทเข้าสู่ใจมันก็เข้าใจความสุขทางจิตเจตสุขสุข สุขทางจิตรรมาติพระพุทธเจ้าแต่แล้วค ง, งว่าคงโสแต่เราปฏิบัติยิ่งมีศรัทธากำลังขึ้นมามันยังเห็นความถูกดูใกล้ๆมันเราจะพ้นจากทุกมันยะงพ้นจากบ่วง